เราขึ้นนอ ย, ยกนี้เป็นยกสุดท้ายมายกแรกกับยกสุดท้ายหลวงพ่อพยายามมาถึงแต่เช้ามืดยังไม่ได้รุนกันะเพิ่งมาโผล่อตอนนี้นี่คือยุคสมัยปัจจุบันกรุงเทพอุดรมาเช้ากลับเย็นได้ <tyard> <c oughs> เลยเป็นเหตุให้เราได้ผนน <c oughs> น่ น, นผันจากนีไปโน้นทางน้นก็ครูบาอาจารย์ผ่นผันจากนน้นมานี้เพราะทางนี้ก็คือเรื่องงานเรื่องงานนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั่งฟังไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยนั่งฟังไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วย คำว่าอบรมอบรมนั่นน่ะเราพยายามเล็งให้เข้าเข้าหละสมถะพยายามเล็งให้เข้าหละวิปัสสนาเพราะเราเล็งถูกเป้าเราเล็งถึงเป้าถ้าเราโมจะไปผิวเผินอยู่นู่นอยู่นี่อยู่อะไรเหมือนกระแสโลกกระแสข่าวที่เขาเล่าเขาลือเขาอะไรต่ออะไรกันเนียเคอนควางอยู่ ไม่รู้รากไม่รู้เงาไม่รู้ต้นต่อไม่รู้ที่ไปที่มาเราพยายามอย่างลึกเข้าไปถึงรากถึงเงาถึงต้นถึงต่ออะไรคือรากคือเงาคือต้นคือต่อใจมหาเหตุให้รู้จักเอาไว้ให้จำเอาไว้อบรมสิ่งใดที่จะเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดในโลกอบรมใจ อบรมกายไปอบรมเธอตัอ้งใจอบรมแต่กายถ้าไม่อบรมใจมันก็ไม่ได้มันก็เข้าลักษณะหน้าว่ายหลังหลอกอบรมวาจาอบรมคําพูดถ้าไม่พยายามอบรมไปถึงใจเดี๋ยวมันก็กลับกรอกหน้าว่ายหลังหลอกเพราะเรื่องกายกับเรื่องใจเรื่องกายกับเรื่องวาจากับเรื่องใจ มันสามารถทำเหตุทำผลไข้กันก็ได้เพราะในใจของเรามันมีสิ่งพาเราขีดไขยมีอยู่คือตัณหาเราพูดถึงหลักถึงต้นถึงต่อมาเลยตัณหาที่พวกเราทุกญย่าลำบากมาโดยเฉพาะแค่เราอบรมสามวันกับสองคืนที่ล่วงมาเนี่ย อะไรที่มันทำให้ใจเราเร่าร้อนที่สุดเรารู้ออกไหมสิ่งที่ทำให้ใจเราเร่าร้อนที่สุดก็คือหลงเพลิคลคลคลคลนคิดนกไปกับสิ่งที่เราปรุงแต่งตามใจชอบไม่รู้ว่ามันอยู่ในกรอบของอะไรดยเหตุที่เราด้วยเหตุที่เราไม่รู้น่ะร้อยทัางร้อยโมหะความมันงมันครอบตัณหามันครอบมันฝักตัวอยู่ข้างใน เราไม่รู้ต้ น, นตรู้ต่อรู้ต้นสายปลายเหตุของมันแหละก่อทุกข์ ก, ก่อทุกข์วุ่นวาอยู่ไม่จบไม่สิน้นการที่เราตั้งใจเล็งมาที่เป้าสมถะธร ร, รมวิปัสสนาธรรมจรึงตรงแนวที่สุดตั้งใจทำใํำไปเถอะพอข้าที่พั๊บพุทธโธพุทธโธพุทโธขอให้อยู่ในความตั้งอกตั้งใจนาทีสิบนาที แค่นี้ก็มีคุณค่าที่สุดมีคุณค่าที่สุดห้านาทีสิบนาทีมีคุณค่าที่สุ ด, สดแต่ถ้าหากเราไม่จับมาลองจุดนี้มันเคว้งคว้างเคว้งคว้างไปเคว้งคว้างมาเพราะจิตของเราถ้าหากมันขาดหลักสมาธิหลักขาดหลักความสงบแล้วนะมันกระสานสร้นเส็นเจ้าตัวเนี่ยมองรู้เองมองเห็นได้เลยและ ถ้าให้ฝึกฝนอบรมสมาธิมาแนบแน่นมันของสะดวกสบายนึบตั้งยังไงก็อยู่อย่างนั้นในเมื่อสิ่งหนึ่งเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราอยู่ในเงื้อมมือของเราปัญหาทุกอย่างก็จะร่วมไปปัญหาทุกอย่างก็จะอันก็ร่วมไปอันนั้นก็ร่วงไปอันนั้นก็ร่วงไปอันนั้นก็หลุดไป คำหลุดไปหมายถึงปัญหาที่มันจอมามันเรียงแถวกันมาเพื่อที่จะมาเข้ารุกร้ารุกรา้กราหัวใจของเราปัญหาเหล่านั้นก็จะหลุดมามันก็จะหลมันก็จะร่วมแต่ถ้าเราเข้ามาที่นี่ปั๊บปลุกผู้รู้มาให้ตื่นรู้รอยู่เรื่อยเป็นการอบรมถูกจุดตรงที่สุดแล้วอย่าไปคิดโอ้ท่านบังคับให้แต่เราธรรมทานท่านบังคับให้แต่เรา วิปัสนาเราฟังไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ยากเลยเราเอาใจฟังเราเอาสติปัญญาฟังท่านบอกว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธที่เป็นแบบอยา่างท่านจเจ้าว่าอะไรก็ได้ใครมีครูบาอาจารย์สอนให้ยึดหลักยังไงท่านจะยึดหลักอย่งังไงก็ไปสิ พยายามตีมาวงข้างไหม่มันกระจายแล้วมันจะรู้มันจะเข้าใจเองมันจะเข้าหลักมาสติปัฏฐานทั้งหมดไม่นอกเหนือไปจากนี้มีสติกำกับปลุกตัวเองให้ตื่นรู้รูไม่ต้องไปไปตั้งเป้าไปส่อะไรอย่างอื่นขอให้มีสติกำกับอยู่ในความปลุกฝันทั้งอดทั้งทนทั้งอบทั้งลมทั้งวิริยะอุสาหะ ทั้งพยงุงทั้งปอกทั้งป้องทั้งคุ้มทั้งครองทั้งอะไรแต่อะไรให้มันตื่นรู้อยู่กับสิ่งหนึ่งเดียวนี่ถูกจุดที่ตรงที่สุดถูกเป้าที่สุดนี่คือรากคือเงาคือตอน้นคือต่อที่เราจะพยายามปลุกฝังให้ผู้รู้ของราเนี่มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก่อร่างสร้างตัวดีขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น อย่าไปดูอย่าไปทั้งนิอย่าไปล่องลอยสรารพัดอะไรอย่างอื่นคิดว่ามันจะไปศรบอารมณ์กับมนุษย์จะไปศรบอารมณ์กับ อ, อันนี้ล่องรอยไปจะไปเจอกับอันนั้นเจอกับอันนี้ขาดละสติธรรมสามัญชนยัดธรรมแล้วไปไม่รอดทั้งนั้นสำนักไหนก็สำนักไหนสำนักไหนก็คือสำนั ก, นนกภายใต้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านตีเครอบไว้หมดแล้วมหาสติปัฏฐานคุณสมบัติของจิต ชิ้นหนึ่งเลิะที่สุดประเสริฐที่สุดจิตธรรมพยายามให้ทําความรู้จักกับจิตธรรมอะไรเข้ามา อ, อบรมวันสองวันสามวันมาแล้วนี้พูดถึงแต่แค่สติแค่นี้ฟังยังไม่รู้เรื่องฟังแล้วฟังอีกเพิ่มแล้วเพิ่มอีกต่อแล้วต่ออีกต่อยอดกับใจของเรามันไม่มีความเสียหายอย่างนั้นท่านจะให้เราภาวนา ยกคำบริกรรมเป็นใหญ่แล้วกาคำบริกรรมเป็นใหญ่หมความว่าทำความรู้สึกให้ต่อเนื่องเมื่ออย่างเรานั่งภาวนาเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธ <c oughs> ทำความรู้สึกให้มันต่อเนื่องทำความรู้สึกให้ต่อเนื่องเอาอะไรมารู้สึกก็ผู้รู้ของเราเลยมารู้สึก เอาอะไรมัมัดให้มันอยู่จะติธรรมสัมปจัญญะธรรมขาดคุณธรรมสองอย่างนี้ไม่ได้เพราะตอนนี้เป็นคุณสมบัติชั้นเยี่ยมของจิตที่มีมาพร้อมกับจิตคือผู้รู้ของเราอย่าลืมว่าสัตว์ทุกจาพวกรวมมาถึงมนุษย์เรามีผู้รู้หนึ่งเดียว ต้นตอมาอยัางไงเราก็สร้าบไม่ได้หาพัฒนามาตามรูปแบบของเขาการพัฒนาของผู้รู้ของเราถูกพัฒนาสูงสู ง, สงต่ำต่ำลนุ่ ม, ม, มดอนดอนปนเปกันมาใครเป็นคนสร้างให้เราใครเป็นคนทําให้เราเราทําเราเองเราสร้างเราเองเราสรัางสมอบรมเราเองเราพัฒนามาเองสิ่งที่ปนเปื้อนมาในนั้นคืออะไร กิเลสตันหาอาสวะที่ดันตรัสไว้ว่าอวิชชาวิชาาวชาอาวิชชาถ้าเราดูมากิริยาที่ใจของเราเราจะไม่สับสนเราจะไม่งงอวิชชาคือความไม่รู้ตราบใดเราขาดสติอวิชชาเราครอบตราบใดเราขาดสติอวิชชาครอบจิตของเราแล้วโมหะครอบจิตของเราแล้วเราจะไปคิดว่ามันอยู่สุดเอื้อหมดหวังเอื้อไม่ถึง อยู่เดี๋ยวนี้เฉพาะหน้าเราขณะหน้าเราไม่ใช่เราภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธความตั้งใจเราไม่พอความกําลังจดจ่อเราไม่พอสติเราไม่พ อ, อถูกโมหะมันกรอบปับ๊บอวิชชามันครอบปับ๊บมืดแล้วพุทธโธหายแล้วหายไปไหนก็ไมาดู้แน่ความรู้สึกต่อเนื่องมันหาย เราดูภาคปฏิบัติเรามาดูข้อเท็จจริงเฉพาะหน้าเราเราจะเห็นไม่งั้นเราไม่เห็นพูดทางนี้ถ้าเราไม่สนใจตามเราจะเข้าใจได้ยากถ้าใครพยายามสนใจตามคำพูดตามความรู้สึกพันอยู่ที่จิตของเราเราจะเข้าใจได้ดีพูดท้งนี้ไม่นอกเหนือไปจากพูดต่ล้มาที่จิตของเรา เพราะเรามีจิตหนึ่งเดียวถูกพัฒนามาตามรูปแบบสูงสูงต่ำตำลุ่มลุ่มดอนดพบชาติของเขาสูงสูงต่ำตำลุ่มๆุมดอนดอตามพฤติกรรมของตัวเองพฤติกรรมของตัวเองทำให้พบชาติของตัวเองสูงบ้างต่ำบ้างยาบบ้างละเอียดบ้างตกต่าถึงขั้นอเวจีมหานรกก็คือไปจากพฤติกรรมของตัวเอง ราบได้ที่มีสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องด้วยราบได้ที่มีสิ่งเหลนี้มาเกี่ยวข้องด้วยผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวพระพุทธเจา้าท่านมีความสามารถนะท่านชะล้างผู้รู้ของ พ, องพระองค์จนบริสุทธิ์เหลือหนึ่งเดียวพระอริยสวาวกพระอรหันต์ทั้งหลายผู้รู้ของท่านจะบริสุทธิ์หมดสดเหลือผู้รู้หนึ่งเดียว อวิชชาตันหาความโง่ทั้งหลายทั้งปวงเยถูกชักล้างออกไปจนหมดเมื่ออวิชชาตันหามันมาหอม่อหุ้มจิตใจของเราจิตใจของเราก็กลายเป็นกองสังขารพฤติกรรมของเราก็เป็นไปตามกองสังขารเราก็มาหาจับจองสังขารที่เป็นนามรูปปั้นธรรมมีอัตภาพร่างกายเป็นผู้ชายบ้างเป็นผู้หญิงบ้างส่วนประกอบก็คือดินน้ำลมไฟอะไรสรพั ผมขนรลบฟันน้งอาการ32นะเราเขาก็ดูที่ผู้ใตเจ้าต้องให้เราแยกแยกนี่คือส่วนประกอบเป็นเรื่องของกองสังขารเราดูมาตรงนี้เราจะได้สนามงานเราจะได้ที่ฝึกงานเราจะได้ที่รู้งา น, นเนื่องจากเราปนเป์อยู่ในภบชาติสู ง, สงต่ ำ, ต, ำตามหลักของอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารในวัฏสังขารมันเกิดมาแล้ว เมื่อสังขารมันเกิดมาแล้วมันก็พัฒนาไปตามรูปแบบของมันรูปแบบของนามสังขารคือจิตจิตของใครก็ตามที่ยังปมแปรด้วยกิเลสตัณหาจิตดวงนั้นก็จะพัฒนาไปตามพฤติกรรมของตัวเองอยากให้เราทำดีบ้างชั่วบ้างสศกบ้างทุกบ้างดียาบ้างละเอียดบ้างปนนีดบ้าง บางครงาวก็พยายามตั้งอกตั้งใจทำปรับทีบตัวเองเละเอียดทีเย็บขึ้นไป <c oughs> นี่คือพฤติกรรมภายในจิตของเรา <c oughs> จนพระพุทธเจา้าต้องมีความมีความ ประทับใจว่างั้นเถอะเอ๊ะสมัยกองทุงกองโทษทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นไปในวัฏสง ส, งสารเมื่อไรจะจบเมืไรจะสิ้นสับสนปนเปกันที่สูงที่ต่ำรุ่มรุ่มดอนดอยู่นี่แหละไม่จบไม่สิ้นเ <c oughs> มื่อไรจะหาที่จบเมื่อไรจะหาจุดจบของกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เราจึงทรงตั้งปณิธานตั้งปณิธานเห็นไหมไม่ใช่มาแกล้งทําเอาจนเป็นจนตายก็ได้ไง่าย คิดดูแต่เสียสงขายแสนหมหากัรมมหากัรนะแสงหมหากัรกัรหนึ่งกรรนึงมันเนื่องนานชั่วเท่าไหร่เพระคุณงามความดีสร้างสมอบรมเพื่อจะรู้ช่องทางที่ทจะทะ ล, ทลวงมาชักมาลามาแยกมาย่อยสิ่งนี้ให้เหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่กองทวยมีความปราธนามากมายมหาศาลที่จะเป็นเช่นนั้น แต่ไปไม่ถึงไหนหรอกจอดไปไม่ถึงไหนจอดไปไม่ถึงไห น, ไไไหนก็จอดเพราะระยะเวลาที่โน้นนานเหลือเกินเราฟังดูบางประเภทแปอสงไขยแสนมหากรบนิดบางประเภทสิบหอสงไขยแสนมหากรบพวกเราแค่กับเดียวเราก็ไม่ไหวแล้วเช่นอย่างกลับที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าเรียก ว, ว่าพัตตะกับพัตตะกับพระพุทธเจ้าร่วงไปแล้วสี่พระองค์นั้นเนีอย เดี๋ยวเรายังอยู่ในพระศาสนาของพระโคดมแต่องค์ท่านหล่วงไปแล้วพระกกุสันทอกรพระกุณาคำนองพระกัจจปูพระโคตโมยังไม่หมดหนึ่งกลับนะยังมีพระศีอริยะเมตโยนี่แค่กลับเดียวนะแสนมหากลับนี่แค่เศษเศษแค่เศษแค่เดนแสนมหากลับและเวลาเนิ่นานานขนาดนี้เราไม่ต้องไป พูดถึงว่าอสงไขยอสงไขยที่แปลว่า น, นับไม่ได้หนึ่งครั้งนับไม่ได้สองครั้งนับไม่ได้สาครั้งสี่ครั้งอย่างพระพุทธโคดมของเราเนี่ยตั้งความปรารถนามานึกคิดอยู่ในใจไม่รู้ตั้งกี่อสงไขยพูดออกปากไม่รู้ตั้งกี่อสงไขยแล้วก็ ได้รับพยากรแล้วก็ออกป่าพุโทโธมีอนาคเตออกป่าได้เต็มที่สี่อสงไขยแสงมหากัะรวมทั้งหมดเนี่ยยี่สิบอสงไขยเราคิดดูเนี่มีความนึกคิดอยู่ในใจอยากได้อยากได้อยากได้อยา ก, ยากเป็นอยากเป็นอยากเป็นเคยได้ยินไหมเวลาพระพุทเจาท่านลงจากสวรรค์เป็นโปรดพระพุทธมันดาในวันที่เราทําบุญเทโวตบะเทโว วันนั้นเป็นวันอัศจรรย์มากพระพุทธเจ้าทัานลงจากเทวกเทวดาทุกชั้นอีกมองเห็นกันหมดเทวดามองเห็นมนุษย์มองเห็นสัตว์นรกทุกหมู่เหล่าทุกขุมนรกมนุษย์ทั้งหลายก็มองเห็นเทวดาบนสวรรค์มองเห็นสัตว์นรกสัตว์นรกทั้งหลายก็มองเห็นมนุษย์มองเห็นเทวดาทําให้สามโลกกระทานมองเห็นกันเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า ใครก็ปรารถนาความยิ่งใหญ่อยากเป็นพระพุทธเจ้ากันทางนั้นปรารถนากันทั้งหมดแต่มันก็เท่ากับเท่าไรวัวร้อยตัวขนของวัวร้อยตัวกับเขาสองเขามากมายขนาดไหนนะไอ้ที่มันร่วงทิ้งไปมากมายมหาศาลขนาดไหนไอ้ที่มันสําเร็จมาแค่นี้ถึงกระนั้นก็ตามท่านบอกว่าพระพุทธเจา้าท่านอุบัติมาแล้วเท่านั้นองค์เท่านั้นโกรธเท่านั้นโกรธเท่านั้นองค์ ตนนองค์นนันอ ง, อนนนองแล้วก็มีคําอุปมาอีกพระพุทธเจ้าอุปบัติมาแล้วมากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ําของคาเพราะโลกกับธรรมเนี่ยอยู่เคียงคู่กันมาตลอดเคียงคู่กันมาตลอดนี่คือระยะการเวลาที่ยางนานเรามาดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตั้งความปรารถนานี้ตั้งความปรารถนาคอยได้ชีวิตก็ยอมเสียสละเพราะฉะนั้นท่านจึงว่า ทานบารมีทานอุปบารมีทานปรัมัตฐบารมีให้อวัยวะเป็นทานขอให้มีอันนี้สองเห็นอัตเห็นถัมเห็นช่องเห็นทางที่จะเล็ดและออกจากกองทุกข์นี้ไปได้กองทุกข์คือคือเกิดแก่เจ็บตายไม่ก็ น, นั้นเสียสนะด้วยชีวิตขยอปรัมัฏฐบารมีเรามาคิดดูซิพระพุทธเจ้าสมัยท่านเป็นดาวบดอยู่ในป่าเห็นไหมเห็นเสือแม่งลูกบดกำลังจะกินลูกมันพรางโดดใส่ใมากิน โดใส่ให้มันกินเลยอย่างน้อยมันก็ช่วยลูกของมันได้หลายบาทเป็นดบบบนนาวบดในป่าเสียสละกชีไห้กับสัตว์เดรัจฉานมีคุณค่าไลยสัตเดรัจฉานไม่มีคุณค่าแต่เขาได้รับอาหารจากจิตใจของผู้ที่มีความสําคัญเด็ดเดี่ยวจรงิงจังอัจสั่งด้วยจิตใจของผู้เสียสละเลิศด้วยจิตใจของผู้เสียสละคือผู้ ตั้งตนเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยขอได้ขอได้อะไรขอให้ได้ไดไดรู้ได้เห็นอัตธรรมที่จะออกจากช่วงตรงนี้เรามาคิดดูเราย้อนมาดูในหัวใจของพวกเราทุกท่านทุกคนเราเคยมีความรู้สึกนึกคิดละเอียดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไหมท่านมีความรู้สึกท่ามีความปรารถนาอย่างนั้น เราก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากได้อัดอยากได้ทําเรามีความอยากได้ความอยากได้นั้นมีทุกคนความอยากได้บริสุทธิ์ทธิชอบด้วยธรรมความอยากได้แอบแฝงมาด้วยไม่บริสุทธิ์ร้อเซ์ด้วยธรรมเงี้ยมันเกลื่อนแฝงเข้ามาด้วยคือมันขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของจิตดวงนั้นๆๆๆมันจะไม่เท่ากันแต่ถึงยังไงก็ตา่างการที่เราตั้งอกตั้งใจสนใจเรื่องการฝึออกฝนอบรมเป็นเรื่องที่ยิ่งเยี่ยมยอดที่สุดหากมีความนึกคิดเหล่านี้ยังอยู่ในหัวใจของเราเราจะอยู่คนเดียวเราจะเข้าสํานักอบรมจะอยู่สํานักนานๆตลอดกับหมู่กับเพื่อนกับครูบาอาจารย์กับอะไรที่ไหนก็ตาม มันมีตัวหนอ่อตัวเนื้อตัวแข น, นคอยทีจ่จะพลิกดอกออกผลอยู่ข้างหนมันเกิดประโยชน์แต่สำหรับบางคนเนี่ยไม่เคยไม่เคยรู้เลยไม่เคยมองเห็นเลยมีแต่ปัญหาอย่างอื่นมารบเรามารมเรา้าหัวใจตัวเองบางครั้งก็มีสินอย่างอื่นเคลื่อนมาด้วยแฝงมาด้วยโอ้คอยเจ็บคอยหายไข้คอยหายเจ็บคอยหายป่วยเถอะอคอยพ่อคอยแม่ คอยเพื่อนคอยให้ลูกคอยให้พี่คอยให้นอ้องหายเจ็บหายไขย้หายป่วยเราจะนามาตั้งใ้ปฏิบัติทั้งความปรารถนาก็ดีเหมือนกันเป็นความปรารถนาที่มีเที่มีเมตตาเราจะมารูปแบบไหนก็ตามเถอะคอยเราตั้ง อ, อกตั้งใจทำดีทั้งนั้นเพราะผลรายได้เป็นเรื่องของเราีนน่สำคัญที่สุดคนเราแม้แต่ขือสุดท้าย ก่อนที่จะขาดดิ้นสิ้นลมหัวใจของเาเน่ยอยู่ในท่าทีที่เราตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมนี่เยี่ยมที่สุดไม่เป็นบุคคลที่ตายเปล่าคนๆนั้นไม่เป็นบุคคลที่ตายเปล่าสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่มีหลายองค์หลายท่านท่านขาดใจพร้อมกับกิเลสขาดไปเลยประเภทเสมอโดยชีวิตคือความตายกับธรรมะ กับกิเลสมันเสมอกันหมดเพราะมันสุดตอนนั้นก็คือสุดกันไปเลยเสมอโดยชีวนิตนะมันจะไม่จะต้องปฏิบัติอะไรยืดเยื้อหละสู้กันเอาตอนนั้นเละเคยอบรมสั่งสมมากี่เนิ่นนานเท่าไรก็ตามพอถึงการถึงคราที่มันจะล่อมหลอมรวมลงมาถ้าไม่ได้รับประโยชน์มันก็จะมาโผลประโยชน์ออกตอนนั้นตรงนั้นนี่เราพูดเมื่อกี้เราพูดหัวข้อว่า การที่เราต้องใจอบรมใดๆก็ตามรพยายามตล่อมหลอมมาที่สมถะธรรมที่วิปัสสนาธรรมเพราะมันเป็นเรื่องถึงจิตถึงใจบางทีเราจะมัวแต่เอาความนึกคิดไปไขคนุนไปใจตรองไปทางความเข้าใจในหลักการในเหตุผลในอะไรต่างๆมากมายสารพัดตามเอกสารตามอะไรอะไรมากมายเหมือนอย่างที่เราไปอบรมวิชากา ร, รายอะไรอย่างอื่นอูดหัว กาที่เร า, าออกรมจิตใจแบบนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนพยายามทำเพื่อให้เป็นไปตามระบบระเบียบของงานที่เรว า, าวางเอาไว้แต่งานนี้เป็นงานที่หยุดจิตหนึ่งหยุดจิตสองใช้จิตให้เป็นไปตามฐาใช้จิตให้เป็นไปตามฐามคือวิปัสสนาหรือไม่กับมหาสติปัฏฐานหยุดจิตก็คือให้จิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวพุทโธพุทโธพุทโธ พุทโธนี้แค่เป็นอารมณ์ที่เราตั้งขึ้นมาต่นนั้นเองเหมือนอย่างวันแรกที่หลวงพ่อขึ้นมาหลวงพ่อก็ประมาว่าพุทโธพุทโธพุทโธคาบริกรรมเหมือนกับหลักสติสัมปชัญญะเหมือนกับเชือกมัดไว้ที่หลักปลายเชือกอีกข้างหนึ่งมาวัดไว้ที่มัดไว้ที่ใจของเราพุทโธ กับเชื่อกับจิตผู้รู้ให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันทา่านที่ว่าหยุดปกติจิตของเราถ้าเราไม่หยุดนะมันจะร่อนไปตามวิถีขอ ง, องมันวิถีของมันคืออะไรมันออกไปรู้เรื่องรู้เรื่องเสียงเรื่องกืิ่นเรื่องรถเรื่องสัมผัสเรื่องราวสารพัดยิ่งสมัยทุกวันนะั้มันสมัยหน้าหน้าหน้าเดียวนหน้าเท่าฝ่ามือหมุนหัวเน่าเฟะอยู่ในนั้นหะ นี่ยุคทุกวันยุคสมัยปัจจุบันถ้ารู้จักเลือกเอาสิ่งดีสิ่งเลิอสิ่งประเสริฐมีอยู่ในนั้นมากมายเยอะแยะถ้าไม่รู้จักเลือกเจอแต่สิ่งเน่าๆอยู่ในนั้นนะเน่ามาที่ไหนเ <laughs> นมาที่ใจของเราเพราะอาหารหมูมันสูงใจเหลือเกินชอบใจเหลือเกินมันดูทเอาดูดเอาแอบดูดดืด่มเอาคนเดียวนั้นนาน ทําวิเศษวิสุโภมาหมายเยอะแยะจีกรูบายกันท่านเอาไปลงลูกศิลป์ลงงาเอาไปลงไม้มายเยอะแยะมาเป็นเครื่องไม้เครือมือมาฝึกฝนมาอบรมมีน้อยหรือไม่สนไม่สนใจเลยแต่ถ้าเป็นอันนี้มันเป็นอาหารรสโปชากอร่อยเหลือเกินเพราะอะไร ผ, ผู้บริโภคเนี่ยเต็มแปรไประเดือนนั้นแราไม่เคยย้อนมาดูมันเลยเราพยายามทำความเข้าใจเอาไว้เราหยุดได้ไหมรูปเสียงผิดรสผลตภัณหยุดได้ ท่านทั้งหลายเราห้านาทีเราตั้งไว้สิพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแวดึงกลับเข้ามาพุทโธพุทโธพุทโธแวบโอ้ดึงกลับเข้ามาพุทโธพุทโธเราทํานานๆเข้าแล้วมันจํานานเองเราจับยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นเพราะจิตของเราก็ไม่ต่างกับควายควายที่เคยดื้อถูกเจ้าของมา เขียนมาตีมาทุบจับเข้าแอวกจับเข้าไถจับเข้าไหบครางเข้ามันก็ชำนี้มันกับชำนานเหมือนกันใจของเรานะ่อันนี้คือเราเที่จะไปจำ ง, ง่ายๆมันไม่ต่างกับควายกับบัวที่เจ้าของฝึกเข้าแอวกเข้าไถซะหน่อยหนึ่งเจ้าของไปหยิบโน่นหยิบนี้เดินใส่เฉยเลยเห็นไนะยกดึงเกวียนขึ้นมาเนเดินเ ข, เข้าใส่เลย เดินเข้าใสายเลยไปยกแอรขึ้นมาแต่จัดไถเนี่ยเดินเข้าสายเลยเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องมา ม, ามาาดัดใส่คอโอ้ยสลัดแล้วสลัดเลย ว, ว, วิ่งหยุดวิ่งหยุดกระดกกระติกกรต้องก็เตงอยู่นั่นแหละบางตัวทั้งจะชนทั้งจะวิ่งทั้งจะพาขั้นไทยหักอยู่นั่นแหละความดื้อของความดื้ อ, อรั้นของใจของเราอาศัยวสติเราเริกล้าปัญญาเราเริ่มแข็ง ความสัพยาพยายามเรามีมากเราก็จะเริ่มมีกำลังวังฉาจะเริ่มมีเรี่ยวแรงจะเริ่มมีพื้นมีบานมีฐานทุกไปแล้วก็คือใจดวงเดียวเราไม่อยู่เพราะเหตุใดดูให้เห็นดูให้ออกเราพยายามทำความเข้าใจอยู่ตรงนี้เราต้องเข้าใจในเมื่อเราเข้าใจจุดประกายที่เด่นชัดที่สุดมันเป็นส่วนศูนย์โฟกัส ของความรู้ที่เราควรจะทําความรู้ทำความเข้าใจยางอืนเป็นเรื่องปลีย ย, ย่อยยึ่งเรามาทําความเข้าใจรู้กับปัญหารูร้กับปัญหานี้เข้าใจปัญหาหนึ่งเดียวหนึ่งมันจะโรไปหมดเข้าใจปัญหาเรื่องเดียวยังอื่นปล่อยโรูไปหมดเพราะเรื่องปัญหาข้างในมันไม่ใช่เหมือนปัญหาข้างนอกที่เ ร, เรารู้กันแล้วเราแก้กันแก่อนน้ หมดไปแล้วเหลือนี้แก่นี้เหลือั้นแก่เหลานี้แก่นี้นนเหลอนั้นปัญหาภายในใจของเราเ ร, าเรามาแก้ที่ใจพุทธิยถาท่านจึงให้แก้ด้วยวิธียุดห้านาทีสิบนาทีสาสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงยุดให้จิตเขาได้พักเขาได้พักแล้วเขาจะมีความสุขมีปีติมีความสุขบางทีคาที่ เราให้เขาป้อนเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธเราป้อนเข้าไปเขาจะอิ่มป้อนมากๆเข้าไปเขาจะอิ่มเขาจะอิ่มแล้วเขาจะเขาจะอิ่มแล้วเราไม่ต้องป้อนพุทโธอะไม่ต้องป้อนเข้าไปเขาไม่ไปไหนเหมือนควายวัวที่มันเริ่มเริ่มจะชินกับแอรกับถ่ายแล้วเขาไม่ไปไหนเขาจะอยู่จะนิ่งอยู่นั่นน่ะอยู่กับปีติเพราะความสงบมันมีคุณสมบัติอยู่ในนั้นความสงบ เป็นโอชาของธรรมอันอร่อยอร็สอร่อยที่สุดจิตข็เราจะได้เกาะอยู่กับนั้นมีปีติความเอรอป่มในหัวใจของเราลองทำให้เกิดลองดูมันปลุกจิตของเราเปนเราปลุกเราจิตของเราให้จิตของเราตื่นเป็นยังไงเป็นให้พยายามทำให้มีให้เกิดขึ้นเราจะทราบคุณสมบัติของมัน อยู่กับอย่างเดียวโอ้พอพออยู่พอกินครับ ม, มีหมายความมันเริ่มต้นมาจากอารมณ์เดียว ม, มีปีติมีความสุขมีเอกคตาเหลือแต่ปีติจุขเอกคตาสุขเอกคต า, อ, คตาอุเปกขาวางตัวแนวเฉยอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียว มันจะอยู่แค่ไหนขั้นไหนสงบระบดับขั้นไหนแล้วก็ปล่อยให้ส้นงบให้เต็มที่เวลาจะทํางานเวลาเขถอนออกมาค่อยามผู้บรรจารทั้งสอนอย่างนี้นี่คือหยุดจิตให้สงบสงบอย่างเดียวเป็นเรื่องของสมรรถะสงบด้วยพิจารณาตามไปด้วยเอ๊สงบด้วยตามพิจารณาตามไปด้วยพิจารณาได้ยังไงสงบด้วยพิจารณาตามไปด้วยอันนี้เป็นลักษณะของวิปัสสนา การที่เราจะมาตามต้นรู้กิเลสตัณหาทัานกนท่นอวัยท่านวิธีเข้ามันต้องเอาคุณสมบัติของหิดระดับนี้มาใช้ถึงจะเกิดประโยชน์เอาละเอียดลึกเกินไปมาใช้มาใช้ไม่ได้มันเป็นช่วงที่เขาเข้าพักก็แปล่ขาพักสะดวกสบายพระพุทธเจ้าท่านจึงแสดงท่านกลางเลยมหาสติปัฏฐาน ชี้มาตรงคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดที่เรามาประกอบในการทํางานสติธรรมสัมผชัญญาธรรมสติคือผู้ตื่นรู้สัมผชัญญา ต, ร ป, ร ต, ร ป, รตรประคองผู้ตื่นรู้เราจะเอาสติมากํากับอะไรมากำกับ ก, ก, กับกายตามดูพฤติกรรมของกายหรือจะตามดูพฤติกรรมของเวทนาวเวทนาก็คือ ความสุขความทุกข์ของกายความสุขความทุกข์ของใจความยินดีความยินร้ายของใจความสุขความทุกข์ของกายความสุขความทุกข์ของใจความยินดีความยินร้ายของกายไม่มีมีแต่ความยินดีความยินร้ายของใจซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมนี้มันเป็นเรื่องของเวทนาเวทนา แท้ที่จริงเวทนานี้เป็นจุดศูนย์รวมถ่ามฟังให้ดีนะเวทนาคืออะไรเวทนาคือค่าของการกระทบ <c oughs> หูเราไปกระทบรูปมันมีเกณฑ์ของการกระทบ <c oughs> ไม้เมื่อมันกระทบกันปั๊บเป็นเหตุให้เรายินดีนึ่งเป็นเหตุให้เรายินร้ายหนึ่ง เป็นเหตุให้เราเีเฉยๆหนึ่งเกณฑ์แห่งการกระทบอันนี้แหละท่านเรียกว่าเวทนาใจไปรับรู้รสชาติแห่งการกระทบเหล่านั้นท่านเรียกว่าเวทนาเวทนาเป็นศูนย์รวมของธรรมอยู่ตรงนี้บุญจะเกิดกเกิดตรงนี้บาปจะเกิดก็เกิดตรงนี้ปัญญาจะเกิดก็เกิดตรงนี้กิเลสจะเกิดก็เกิดตรงนี้จะขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นตรงนี้จะลงนรกก็ลงตรงนี้ คิดให้ถ่านพิจารณาตามให้ถ่านเราตามมาดูระบบระบบการทำงานในใใหัวใจของเราเราพูดถึงสิ่งที่ตรงแนวในใใหัวใจของเราคือเวทนาเกณฑ์การกระทบของ อ, ย า, อย า, ายัตนะอายัตนะภายในอายัตนะภายนอกวิญญาโภพภัตสักเวทนาโกเนี่ย วิธีการจัดการด้วยสติที่ท่านเรียกท่านใช้คาว่าตามรู้เวทนาตามรู้เวทนาทำยังไงเราจะใช้วิธีใช้บายใช้วิธีตรงนี้รู้ท่ารู้ทันทำให้เกิดประโยชน์สำหรับคนที่ท่านทำมาแล้วท่านจะเข้าใจดีเพราะว่าบางสำนักท่านเน้นเรื่องของเวทนามาอย่างนี้อยู่แล้วเอาเสติตั้งอยู่เฉพาะหน้า รู้เวทนาสัตว์เวทนาอาศัยเวทนาเป็นเครื่องระลึกอาศัยเวทนาเป็นเครื่องรู้สัตวต่วเวทนาเวลาผู้รู้เวลาสติเราตื่นรู้ <c oughs> มีสติกำกับจิตผู้รู้เราตื่นรู้รอ ย, รอยวเวทนาสัตว์แเวทนาจริงๆ ความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดเนี่ยถ้าเราจะว่าบุญไม่เกิดบาปไม่เกิดเอ๊บุญไม่เกิดแล้วเราจะได้บุญเหรอพระพุทธเจ้าพระราห์ท่านพ้นไปทั้งบาปทั้งบุญท่านพ้นไปท่านพ้นไปตามอุบายวิธีอย่างนี้นี่พุทธยจ้าท่านแสดงละเอียดน่าแสดงตรงนี้ใครพยายามทำความเข้ า, า, าใจตรงนี้จะได้รู้อบายวิธีในการปฏิบัติ ในการเอาสติไปใช้กำกับให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของเวทนานั้นมันมีทั้งเวทนาส่วนของกายเวทนาส่วนของจิตท่านเะตนาเกี่ยวกับเรื่องจิตเราพิจาราเวทนาภายในจิตก็หมายความว่าตามพิจารณาจิตถ้าท่านจะพิจารณาเวทนาเกี่ยวกับเรื่องของกายก็คือตามพิจารณาเวท <c oughs> นาแต่จิตมันก็ทางานอยู่ในนั้น ธรรมะกาทำงานในนั้นกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นอารมณ์ของมาสติทำงานบทใดบทถึงกันหมดเพราะผู้ทำงานหนึ่งเดียวคือจิตเครื่องไม้เครื่องมือคือสติธรรมสัมชัญญาประคองกรองไปทบงานอันนี้ เวทนาสัจจะว่าเวทนาจริงๆเหมือนอย่างที่เรานั่งปวดอยู่เดี๋ยวนี้ดูให้เห็นสัจจะว่าเป็นเวทนาจริงๆอย่าให้ความสำคัญมั่นหมายด้วยสัญญ า, ามันไปหลอกโอ้ปวดหลาัาโอปวดเอวโอ้ปวดทะพกโอยปวดหัวเขานั่นในหัวใจวเรามันเต็มแพร่ไปด้วยอุปทานหนักนาสาหัสมากไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องตรงนี้ ว่าแต่อะไรมันปวดขึ้นมาเราปวดหมดอะไรปวดขึ้นมาเราปวดหมดแต่วิธีการปฏิบัติท่านให้ดูข้อเท็จจริงตรงนี้นี่แหละคือสัจธรรมที่เราควรจะเข้ามาดูเวทนาเกิดขึ้นปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกปวดหลังฝ่าเท้าหลังเท้าฝ่าเท้าปวดหัวเข่าปวดตรงไหนก็แล้วแต่เจาะกาไปตรงที่มันปวดหนักที่สุดเอาอะไรเจาะเข้าไป เอาจิตคือผู้รู้นี่เจาไปมีสติกำกับจดจอเจาเข้าไปเวทนาสัจจาเวทนาเวลาเราทำความจอทีละเอียดยิบเวทนาสัจจาเวทนาจริงๆทำาจออยู่อย่างนี้เนี่ยจนจะชาริดชำนานจนจะคล่องแคล่วการที่เราทำอย่างนี้ได้ตัญหามันแทรกเราไม่ได้ แต่ถ้าเราอ่อนแอพับตัญหาสวมรอยทันทีอ่อนแอพับตัญหาสวมรอยทันทีปวดหัวเขา่าปวดเอวปวดอังนั่งไม่ได้โอ้จะตายแล้วจะตายแลดูไปอตัวที่มันเดือดมันดิ่มอยู่น่ะดูไปตัวนั้นดูไปนั่นคือของปลอมมันคอยหลอกเราให้เราหลงเคลื่อนไปกับอํานาจของมันท่านให้ดูสัจจะสัจธรรมความจริงปรากฏคืออะไรเวทนาก็เป็นสัจธรรม จะออกไปดูเวทนาสุเกเวทนาจนสามารถทําให้เกิดน้ําหนักเท่ากันสุเกเวทนามีน้ําหนักเท่ากับทุกเวทนาเพราะไม่เอาเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นอัตตาไม่โผล่อัตตาไม่เกิดตัวตนไม่เกิดตัณหาไม่แทรกแทรกไม่ได้อุปาทานที่คอยจะจับจะยึดจะหยิบจะฉวยเป็นพบเป็นภูมิเป็นชาติต่อๆไปไม่มีหมด หมดช่วงสืบต่อนี่คือการทํางานของธรรมพอมาถึงตรงนี้เราพยายามพิจารณามุนละเอียดอยู่ตรงนี้เราจะเห็นจุดจบของกระแสธรรมที่เป็นเรื่องของสมุทัยตันหาจุดจุดจบของตันหามันจบลงตรงนี้มันไม่เกิดมันไม่เกิดได้ใหม่ตันหานี่ตันหาเก่ามันส่งเรามาแล้วแต่ตันหาที่มันจะมาคอเสวงรอยใหม่นี้มันเป็นตันหาใหม่ มันสร้างลูกสร้างหลานสร้างเหลนสร้างหลนสร้างรกสร้างรากสร้างรวงสร้างรังให้กับมันอีกเพราะฉะนั้นภพชาของเราจึงเยอะยาวไม่มีจุดจบไม่มีที่จบถ้าเราไม่จัดการให้มันมันก็จะพันกันอยู่อย่างนี้ไม่จบท่านจึงว่าวัดตะวันวัดตะวนมาอยู่กับอํานาจของกิเลสกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมีทําปนเปอยู่กิเลสกรรมวิบากก็ปนเปอยู่นั้นน่ะ ธรรมก็ เ, เป็นธรรมของโลกีมันไม่ใช่เป็นธรรมของโลกุตระที่จะทําให้เราพ้นจากโลกไปได้ก็พ้นไปอยู่อย่างนี้แหละท่านชื่ว่าผู้ไม่รู้สัจธรรมวัตตะสงสารของผู้ไม่รู้สัจธรรมยาวไม่มีจุดจบไม่มีที่จบน้องตาท่านว่าเหมือนงดแดงไต่ขอบดองข อ, ขอบดองมันกลมมันไม่มีที่เริ่มตน้นมันไม่มีที่จบ ไปไปกันเปจนตายครันมันไม่มีที่จบวัตตะสงสารของผู้ไม่รู้สัจธรรมยาวไม่มีอะไรยาวยิ่งกว่าของผู้ไม่รู้สัจธรรมวัตตะสงสารของผู้ไม่รู้สัจธรรมวัตตะสงสารคืออะไรเกิดแก่เจ็บตายต่ายแล้วไปเกิดอีกแก่เจ็บตายต่ายแล้วไปเกิดอีกแก่เจ็บตายอันนี้คือคําพูดไปดูของจริงเวลามันเกิดสิ แค่เก็บแค่ไข้แค่แป่วยวิ่งข้าวิ่งออกโรงพยาบาลพอเป็นลูกเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นจุ่งอุ่นวายขนาดไหนเรามาดูเถอะนี่คือกองทุกข์ท่านให้พิจนาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะเป็นสิ่งสอนใจทำให้เรามีสิ่งที่เปรียบเทียบช่างตวงเราศึกษาตำนานของพระพุทธเจ้าเป็นคติเป็นตัวอย่างมันจะทำให้เรามีกาลังใจ ทำให้ชีวิตของเรามีพื้นมีบาทมีฐานไม่ขาดหลักขาดเกณฑ์จิตใจจะไม่ต้องลอยไม่ใช่เขาตื่นข่าวที่ั่นก่อแฮ่ไปตื่นข่าวที่นี้ก็แฮ่ไปตื่นข่าวที่ไรก็แฮไ่แฮไปแฮ่ไปเวลามาประมวลศพอสรุปมาตามหลังโอ้ถูกต้องอยแล้ถูกรอยอีู่แล้ว เรามาตรงนี้เรามาถูกหลักสัจธรรมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวใครจะมีศพคุณสมบัติรู้เห็นจิตใจของคนอื่นมีริษมีเดชมีอภิญยาเขาเป็นเรื่องของท่านไปแต่ตรงนี้คืองานคือหลักทิ้งไม่ได้อย่างอื่นท่านไม่ต้องยกให้คุณค่าอะไรเลยแหละขอให้ทำความสำคัญทำความเข้าใจตรงนี้เอาตัวรอดเอาตัวรอดนี่คือช่องทางที่เราจะเอาชนะตัวตังหหาได้ตัวเดียวนี่แหละ เนียวรั้งเราไว้ในวัตถุสงสารคืออะไรตัณหากามนนาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราไม่ต้องไปไล่เราไม่ต้องไปแชกดูมาที่ความอยากดูมาที่ความอยากในใจของเราเราพูดนี้เราย้อนมาที่ใจของเราดิดูมาที่ความอยากในใจของเราแล้วเราคอยค่อยมาประเมินดูอมันอยากเพื่อรักเพื่อชังเพื่อกดเพื่อเกลียดนี่นะเพื่อตัณหาราคาเนี่นะ อันนี้มันสมุนไพสมุนไพรรีบตัดมันทันทีใครเข้าใจและทันแค่นี้เอาตัวรอดเอเเอยากภานาอยากใจสงบอยากเข้าบัดเออยากทําบุญอยากบวชลูกบวชหลานอาอยากบวชตัวเองไม่ได้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอยากบวชชีพราหมณ์แค่วันหนึ่งขึ้นนึงก็เอานี่คือมัด รีบส่งเสริมรีบสนับสนุนทันทีตัวเองมีความนึกคิดอย่างนี้เพื่อนฝูงมีความนึกคิดอย่างนี้ลูกเต้ารังเหรียญมีความรู้สึกอย่างนี้รีบส่งเสริมรีบสนับสนุนทันทีนี่แสดงว่าฉลาดแล้วนี่ก็เรื่องความอยากโดยมัดอยากโดยสมุทยัยเป็นโทษตามมาอยากโดยมัด เป็นคุณตามมาอยากโดยมากๆเข้ามันจะค่อยๆลบล้างอยากเพื่อสมุทยัยอันนั้นจะกำลังอ่อนลงอ่อนลงอ่อนล ง, ลงอันนี้จะกำลังมากกว่าถ้าจะเราจะพูดเหมือนกับว่าแข่งขันกันธรรมะเนี่ยมันแซงตลอดเนียนอกจากแซงตลอดแล้วก็ระดับมันต่างกันอีกแซงไปหน้าไปเรื่อยไปเรไปเรื่รรรรในสุดมันไม่มีโอกาสที่จะแซงธรรมะเราได้ อยากเหมือนกันนี่แหละคนเป็นมันไม่ใช่คนตายอยากไปทำบุญอยากไปรุ่นอยากไปเอเอาความอยากนำหน้าแล้วมันจะได้บุญหรือมันไม่ใช่คนตายนคนเป็นดูให้ออกอยากเพื่อสิลเพื่อทำหรืออยากเพื่อกิเลสตถาอสวรรอยากเพื่อสิ่งเหล่านั้นคือสมุนไยอยากเพื่อสิ่เพื่อทำเป็นมัดให้จำเอาไว้ เรามาดูข้อสรุปที่พุทธิยถาท่าทรงพูดสรุปเอาไวา้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากทุกก็คือผลเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆมีเหตุสมุทยัยกรารมาถานาเพราะว่าัาหามีอเพราะทุนายสรุปมาแล้วคือความอยากอยากมีลูกอยากมีผัวอยากมีเมียอยากมีครอบครัวอยากมีนูน่นอยากมีนี่อยากอะไรต่ออะไรสารพัดอยาก ก่อร่างสร้างกองทุกกองอะไรให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นไม่จบไม่สิน้นกองทุกทั้งหลายทั้งนี้เจริญ ง, ง้อเงยตามพบตามภูมิอยู่ไม่จบไม่สิน้นตามหลักของโลกิยัตธรรมไม่จบไม่สิ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นอลอยเกิดขึ้นจากสมุทยัยเรารบเราด้วยความอยากด้วยสมุทยัยความอยากโดยมากที่เรามาเรียนรู้หลักครรสอนของพระเจ้าเพราะพระอาบัตรขึ้นมาแล้ว เอาธรรมะที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดมาสอนพวกเราให้เราดูหนูดื่ตาพเพื่อจะธรรมะเราได้มาสงบพระนักดับกองทุนหนึ่งไว้ใจของเราท่านจึงให้เราตล่อมหล่อมาในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแน่ตามหลมักอริยมรรคโยงแปดนี่คือหลักเราพยายามทาได้ตามหลักอย่างนี้เราจะเป็นคนมีหลัก ในเมื่อเรามีหลักเราทำตา ม, า ม, ามเราไม่สะเปสะสปปะเรายึดได้เพื่อสุดท้ายเราไปเราไปดีไม่ใช่ไปที่ลุ่มที่หลงที่อะไรเรื่องความหลงกับเรื่องความเรื่องความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความหลงเรื่องความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอสัมมาคือถูกต้องเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในหัวใจของเราสติปัญญาความรู้ความคิดความอาจใครมีเหมือนกันทั้งหมด แต่ใครจะเป็นคนชี้ขาดว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิมีสาคัญที่สุดถ้าเป็นเรื่องของเกียดตัณหาก็เป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องของ ม, งมรรคเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิทั้งหมดเราพยามทาความเข้าใจรู้กับเรื่องเหล่านี้แล้วมันไม่ไปไหนมันพันอยู่ที่หลักข้างหนนี่และ หลักษัจจะเหตุอันหนึ่งนำทุกนำโทษนำนำโทษนำชาตินำทุกนำโทษมาให้เราเหตุอันหนึ่งเพื่อสงบระงับดับสมุทัยอันนี้ที่มันจะเป็นเหตุนำทุกนำโทษนำโทษนำชาติมาสู่เราเหตุเหมือนกันเหตุอันหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกเหตุอันหนึ่งเป็นเหตุเพื่อที่จะมาสงบระงับดับเหตุที่จะให้เกิดทุก ผู้ที่ยอดท่นสรุปมาแค่นี้พระองค์ได้ชื่อว่าสัมมาสัพพุทธะพระองค์ไปฝึปกฝนอบรมกับอุทกกระดาบทอาราธดาบทได้รู ป, ปสมะบัติอรู ป, ปสมะบัติแปอาจารย์ทั้งสองไม่เคยสอนสอนเรื่องความสงบเข้าสู่ความวสงบละเอียดของจิตละเอียดลึกละเอียดมากจิตละเอียดทั้งยังไงก็ร้ออย่างนั้นแต่อุบายวิธีการบอกให้ออก ไปจากกรงขายของมัมนนี้ไม่มีวิธีการไม่มีวิธีการอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ได้ออกนะเวลาพระุทธเจ้าท่านแยกตัวออกมาแยกพระองค์ออกมาปฏิบัติโดยลำพังตของพระองค์เพราะอะไรเพราะสัมมาทิฐิในพระไถยของพระองค์มันรบเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใ ช, ใช่เพราะอะไรบารมีสร้างไปแล้ว อไม่ใช่พลอยคิดได้ปลอยรู้เห็นไม่ใช่มีหลักมีตอเล็งมาแล้วท่านพระพุทจึงแยกมามาพิจารณาเข้าหลักเหตุผลอันนี้พอองค์เคี่ยวจนเหตุผลอันนี้สําเร็จทาให้พระองค์พ้นทุพพ้นโทษไปได้มาหันมาดูพระทัยของพระองค์เนี่ยโลง่งว่างเปล่าไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่นะหัวใจของพระองค์ว่าง กองทุกข์แม้เม็ดหินเม็าไม่มีตกค้างอยู่ในพระไตรของกพระองค์แต่ตอนอาจารย์บอกว่าเธอจบหมดแล้วนะรูปปัสมะบัติรูปปัสมาบัติพ ร, ระองค์งย้อนมาดูพ ร, ระไตรปิฎกกองทุกข์ยังกองเต็มแปร่ร อ, อยู่เราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสัมมาทิฏฐิในพระไตรปิฎกมันรบเราไม่ใช่พระองค์จึงออกมาบำเพ็ญโดยลําพังพอบำเพ็ญปุ๊บบรรลุภักในคืนวันเพ็ญเดือนพฤษถูกไหม ยามสุดท้ายแห่งราตรีอาสะวะขยัยานมียานอย่างหนึ่งรู้ว่าอาส ะ, ะกิเลที่มันปนเปื้อนในพระชัยของพระองค์มันหงวดหแห้งหายไปหมดถูกตะปะธรรมของพระองค์ที่มันมุนอยู่นั้นแ่เผาหูุหงวดแห้งหายไปจากคุักษณะต่างของพระองค์หายไปจนหมดเหลือแต่ผู้รู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวนึกถึงอาจารย์จะไปปรนอาจารย์ โอ้อาจารย์ล่วงไปแล้วองหนึ่งก็ล่วงไปแล้วองสองก็เพิ่งล่วงไปอีกอู้ยเสียดายแนละ้วคืออาจารย์ของเรามีจิตใจละเอียดเพียงแต่ไปเบนเบี่ยงช่องทางนิดหน่อยอาจารย์ก็าจะโล่ไปเลยหมุดไปเลยนี่นี่คือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินั่งก็ยังถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะเพราะหาช่องกอกไม่ได้ยังตกค้างอยู่อย่างนั้นแหละอตกค้างอยู่อย่างนั้นเพราะ ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาจะมีอัตตาเต็มแพร่ถ้าใครเคยศึกษาเราจะเข้าใจได้ดีว่าพวกพราหมณ์เขาจะถืออัตตาอัตตาอัตมันอัตตมันอัตตาคือตัวตนแต่มันตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาจนถึงขั้นอนัตตาหมดอะไรจะไปรองรับทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดไม่มีสิ่งไปรองรับแต่อันนี้ยังมีตัวเราเข้าไปรองรับอยู่ เวลาต้องการความสงบต้องการความสุขเข้ารูปปะสมบัติเข้ารูปปสมบัติมีความสงบมีความสุขปล่อยไม่ได้ทิ้งไม่ได้ถ้าไม่มีผู้เสียบสบุขจะเอาอะไรมาสุขนะเรามาคิดดูสิมันชวนเราหลอกชวนเราหลงขนาดไหนแต่มันไม่ใช่ของง่ายๆของกล้วยๆนาะรูปปะสมบัตรรูปปะสมบัตรใครมีบุญญาบารมีทาได้สาธุ แล้วก็สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งมีริทมีเดสมียาพิญญาดำดินวินบนอะไรใดสารพัดทำได้แต่ถ้าหากหาช่องออกไม่เจอวนเวียนอยู่นั้นหาช่องออกไม่เจอออกจากวัฏฏะสงสารหาช่องออกไม่เจอนี่คือสําคัญที่สุดใ น, นเมื่อเราหาช่องออกไม่เจอเราก็ชุ่มแปรแช่อยู่ในนั้นทั้งหมดนี่คือหลักการวิชาความรู้ที่เราควรเอามาหมุนอยู่กับจิตของเรา เรื่องของสมมติาให้สงบอยู่กับอา ร, รมณ์หนึงเดียวเรื่องของวิปัสนาคือสงบด้วยประคองพิจารณาตามไปด้วยเป็นหลักของวิปัสนาให้เห็นลักษณะของกองสังขารสังขารทุกอย่างมีลักษณะส า, สามอย่างเป็นที่เด่นชัดแต่ถ้าไม่ดูไม่รู้เรื่องถ้าเราดูเราจะเห็นอ น, นิจจังทุกองอนัตตาแต่เราพยายามพยายาม พยายามจะให้เป็นนิดจังพยายามจะให้เป็นอัตตาเหมือนร่างกายของเรามันจะต้องแก่แต่เราก็ไม่อยากแก่พยายามดึงพยายามเหนียวรั้งเอาไว้มันจะต้องเจ็บไม่อยากเจ็บมันจะตายไม่อยากตายเหนียวรั้งเอาไว้เอาตัวอัตตาไปไปประคองไปถือไปอะไรต่วอะไรเอาไว้ ภาวะอันนั้นคือธรรมะเป็นไปตามเนื้อหาของมันมันเป็นไปอย่างนั้นเองอ่าถ้าเราพูดทำหลักอะไรนะตะทตามันก็เป็นเรื่องของมันเองคำนี้เป็นคำสูตรนะใครทำความรู้สึกให้เป็นไปตามคำนี้คนนั้นจะเริ่มเข้าใจจะเริ่มรู้จักหลักของสัจธรรมตรงนี้ชัดขึ้นละเอียดขึ้นลึกยิ่งขึ้ น, นตาตา ทุกสิ่งทุกอย่างของบนโลกใบนี้มันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นเองหากอยาก่าไปว่ลาลอยให้มันเกิดความทราบซึ้งเข้าใจเข้าใจกับคําพูดเหล่านั้นขอให้เป็นคําพูดที่ผ่านการประสบการณ์จากการพิจารณาและจะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มากเราดูที่ร่างกายเรามีส่วนไหนอยู่เท่าเดิมมีไหมไม่มีใครอยู่เท่าเดิมหรอกมัอนอย่างพวกเราเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่ ยีปี30ปี40ปีห้ ป, ปี60ปีอยู่เท่าเดิมไหมเริ่มต้นมาจากจากน้ําก้อนเล็กๆอยู่ในท้องแม่เน่ยเริ่มต้นมาอย่างนั้นฟัดขึ้นมาแล้วก็โตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยใครบอกให้อยู่เท่าเดิมบอกได้ไหมบอกไม่ได้อยู่ไม่ได้ทุกทุกมันบีคันไม่ให้อยู่เท่าเดิมนั่นคือภาวะของทุกขังจับตรงนี้จับให้ได้ เป็นคุณหมายป้ายทางสำหรับเราไปพิจรารณาดูไปให้เห็นในท้องแม่เล ย, เลยแหละเราทุกคนเกิดในท้องแม่อืปัดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆมีแต่แม่คนเดียวก็ไม่เกิดมีแต่พ่อคนเดียวก็ไม่เกิดพ่อกับแม่ทําการเจริญพันธ์อะไรทําให้พ่อกับแม่เจริญพันธ์ตันหาในใจของพ่อของแม่ร้ายกาจไหมสมุทยัยร้ายกาจไหม ย้อนไปหเห็นตัวเห็นตนมันที่ย้อนไปให้เห็นพลังของมันพ่อแม่ท่านก็เกิดมาจากพลังของพ่อของแม่พ่อของพ่อของแม่พ่อแม่ของพ่อของแม่ท่านก็เกิดจากพลังอำนาจความอยากของพ่อของแม่ซึ่งช่วงมากันเป็นสายเลือดเหมือนอย่างที่พวกเราแต่อันนี้เป็นระบบการเจริญการเกิด แต่วิธีตัดเหมือนอย่างพุทธเจ้าท่านก็อาศัยวิธีการนั้นเหมือนกันแต่ท่านฉลาด้วยว่าด้วยวิธีตัดในขณะปัจจุบันในเมื่อตัดขณะปัจจุบันแล้วภพชาติก็สิ้นสุดมันก็จบลงในอัตภาพนี้ภพชาติจะสืบต่อไปไม่มีไม่มีได้ยังไงไม่มีได้ด้วยการเจริญวิปัสสนา ตามรู้ตามเห็นด้วยสติด้วยสัมผััญญาพิจารณากำหนดจดจอ่อสุขกว็เทวสุขสักตวะสุขทุกข์ก็สักตวะทุกข์มีสติการกำหนดจดจอ่ออยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ปล่อยให้อัตตามันโผล่ขึ้นมาถ้าให้ปล่อยให้อัตตาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่ไรตัณหามก็โผล่ขึ้นมาตัณหาผลอขึ้นมาป่าทานเอ่ยพบเอ่ยชาติเอ่ยไรเอ่ยเพิ่เดียวมันถึงกันหมด ว่าจะรับปล่อยให้ตันหัแสรกเข้ามาได้เรามีโอกาสตัดมันตรงนี้ได้ตัดตรงนี้ได้ตัดอยู่ได้ตัดได้จริงตัดอยู่หมัดได้ลองทำดูต้องอาศัยความสงบเป็นพลงความสงบต้องอาศัยเป็นพลังอย่าไปดูถูกสมถะนะอย่าไปดูถูกสมถะสมถะของพระพุทธเจ้าเป็นสมถะที่มีปัญญายอยู่ในนั้น สมถะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ ส, ม, สมถะของพระพุทธเจ้าคือสัมมาสมาธิเราดูความพร้อมของใจของเราที่มันจะทํางานเราอย่าไปรู้อย่างอื่นที่มันมองไม่เห็นดูมาสิ่งที่เรามองเห็นที่ของจริงที่มีอยู่ปรากฏอยู่เนี่ยจิตของเราเวลามันสงบมันตั้งมั่นมันเป็นยังไงมันพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะกำลังจดจ่อรู้ทันต่ออารมณ์ที่มาอยู่เฉพาะหน้า ใครเคยเข้ามาวงในตรงนี้แหละจะรู้ได้เองที่พูดถึงอย่างนี้ใครไม่เคยเข้ามาอย่างสงสัยพยายามพิจารณาสอดเข้าสอดออกยับยักย้ายผันแปรสอดรู้สอดเห็นพิจารณาตามไปตามมาเดี๋ยวเราจะจะรู้เราจะเข้าใจตรงนี้ทําความพนบทวดจอรูอยู่ตลอดเมื่อตามุนโผล่ขึ้นมาทุบ ก, กาสับทวาสุขทูบ ก, ก็สับทวาสุข ลองตาท่านให้พิจารณากายแล้วก็ถ้าย้อนมาดูจิตเลยนะปวดย้อนให้พิจารณาเวทนาแล้วก็ย้อนมาดูจิตย้อนได้หรือไม่ได้ลองลองย้อนเรงหูลองย้อนดรูอันนี้คือหน้างานหน้างานที่กำลังทำงานเราพยายามทำลองพยายามหมุนอยู่ตรงนี้มันได้ มันจะทิมจะมันจะมีธรรมะเด็ดๆปรากฏอยู่ในหัวใจตรงนั้นหัวใจดวงนั้นจะถูกถูกพัฒนาทุกขณะจิตอยากได้มั้ยอยากได้ให้เตรียมให้ตั้งใจให้ให้รับเหรอเอาไปหมุนเอาไปพิจารณาเอาไปทําให้เกิดตามต้นกันคุณนั้นปัญหามันสูงกว่าไม่ได้บางครั้งเหมือนกันมันมากระทกกันแรงๆสปากระแรง ร่ำราบเรียบเราทำให้เกิดขึ้นในวัญใจของเราจิตของเรามันไม่ใช่มันจะอยู่เท่าเดิมมันจะปรับตัวเข้ามาจะเคยเนื้อๆลุ่มๆหลงลุ่มๆลมๆต อ, อนๆเร่ๆร่อนๆไม่มีที่จอดมันจะปิดจะเป็นจิตแน่วตื่นร่เป็นตัวของตัว ความไวความละเอียดความประณีตความอะไรจะอะไรมาพร้อมหมดอยู่ในนั้นเราให้คุณค่าในความรู้สึกหนึ่งหัวใจของเราเราอย่าตําหนิหัวใจของเราเรามีคุณสมบัติด้วยกันยาำทั้งหมตั้งใจทําให้ได้ยทำทําให้เป็นตั้งอมดทาให้ได้ตั้งหมดตั้งใจทําให้ได้ตั้งหมดตั้งใจทําให้เป็น เท่าที่พูดมานี้พอจะได้เฮี้ยนอย่างอยูอย่บ้างให้เราไปถือตามไปไประพฤติตามไปปฏิบัติตามท่านทั้งหลายที่เข้าใจรู้รู้แล้วทําไปทําเป็นไปแล้วขอให้ท่้นท่านใจทําให้ยิ่งขึ้นไปนี่แหละคือวิธีวิถีทางวิธีการที่สงบพระนัทดับกองทุกข์ได้หลวงตาราบธรรมะพิชชาต์เนี้ยธรรมะเหล่านี้มัดมันส ด, สดร้อนๆเลยเนี่ยมัดมือชกกันเลยเ มัดมือชอบกันเลยนะ่ยแลกมัดกันเลยนะลองดูงสิมีกําลังมีเรี่ยวแรงมีอะไร อ, อะไรนะสนุกมากสนุกท่านได้วิชาความรู้เหล่านี้แล้วลท่านไม่ต้องกลัวละไอ้แค่นั่งเก็บนั่งปวดไม่มีปัญหา ม, มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาหรอกนะยังที่ยังไม่ได้นั่งเลยกลัวเจ็บกลัวปวดกวมทําไมมันอ่ะมันเป็นสัจธรรมที่เราต้องเข้าไปรู้อยู่แล้ว มันปรากฏออกมาสิถามมันดูอะไรปวดถามมันดูอะไรเจ็บผู้รู้ว่าเจ็บมีไหมไอ้สิ่งที่ถูกเจ็บไอ้สิ่งที่เจ็บอยู่มีไหมไอ้ผู้ที่รู้ว่าเจ็บมีไหมมันเป็นอันเดียวกันไหมยพยายามถามดูปัญญาจะเกิดธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะวิภาคเป็นวิพัชวาทีเป็นธรรมะที่จะต้องแยกแย่ง ไม่ใช่เปสุ่มเหมือนยาสุ่มธรรมะพุทยาต้องแยกแยกชัดเจนเป็นสกิลสกินสกิลสกิลสกิลสกิชัดเป็นยาเป็ น, น, น, น, น, น, น, น, ปนยาเวได้เรื่องปั๊บอย่างหนึ่งมัร้แต่เป็นโลกธาตุจากจุดประกายเล็กๆนั่นะแค่นั้นน่ะให้เราตื่นรูรู้แจ้โลกธาตุ ไม่ต้องไปรู้แจ้งอะไรมากในมห า, า, าศาลดอกจุดประกายเล็กๆเวลาท่านเข้าถึงธรรมขั้นละเอียดแค่คณะกิดเดียวแป๊บเดียวนะพระ ญ, ญากควรท่ายาฟังพระพุทธเ จ, จ้าแสดงทรมจากไหโอ้สิ่งน<อ>ั้นสิ่งหนึ่งมีงความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจวแ๊บเข้าไปในหัวใจรขึ้นมาทันที ใจเข้าถึกาถงกระแสธรรมแท้ที่กินกระแสธรรมก็คืออันกระแสของนั้นเองกระแสของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาธรรมธรรมก็คือธรรมชาติกายก็คือธรรมชาติใจก็คือธรรมชาติสิ่งอยู่รอบข้างตัวเราทั้งหมดคือธรมอธรมชาติกระแสของธรรมชาติมันมาอย่างไงมันอยู่อย่างไงแล้วมันไปอย่างไง ร, รู้กระแสของมัน ไม่เอาความนึกคิดความรู้ของตัวเองไปกะไปเกณฑ์แม้นิดหน่อยหนึ่งเดียวไม่มีแต่พวกเราในตรงกันข้ามไปกะไปเกณฑ์ใช่หมดการกะเกณฑ์นั่นแหละถ้าเรียกว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาอัตตาเป็นที่ตั้งเอาตัณหาเป็นที่ตั้งแล้วไปเกณฑ์อันนั้นให้ถูกใจไปเกณฑ์อันนี้ให้ถูกใจไปเกณฑ์อะไรก็ผิดหวังไเกณฑ์โน้นก็ผิดหวังเกณฑ์นี้ก็ผิดหวังเกณฑ์นี้ก็ผิดหวังเกณฑ์นี้ก็ผิดหวัง เพราะสิ่งเหล่านั้นเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาหากเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราไปกะได้อยู่ผิดหวังไปกะไปเกณฑได้ไหมได้อยู่ผิดหวังทุกไหมทีนี่ทุกดอกมีทุกติดตามานทุกดอกผิดหวังทุกครำผิดผังทุครัง้งผิดหวังทุกเรื่องทุกมาทุกดอก ทุกหวังทุกเรื่องนี่ที่เราประสบกันอยู่ทุกวันนี้คืออย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปจากไหนไปจากตรงนี้หมุนตรงนี้ละเอียดเราจะเข้าใจเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่ทันการรู้เรื่องทันวิทยาการทไม่ต้องรู้เรื่องเราจะไปเ ร, เร็วกว่าเขาอีกไปเร็วกว่าเราเราโมดดิฟความฉลาดที่เขาทำอะไรให้เราแท้ไอ้เข้าฝ่ามือเอาอะไรทำเอาปัญญาทำ แต่มันไม่ใช่เป็นปัญญาออกมันเป็นปัญญาติดติดในวัฏสงสารมันไม่ใช่ปัญญาออกนี่คือนี่คือคุณสมบัติของใจยเยี่ยมไหมละเอียดไห ม, มยิงปัญญาของพระพุทธเจ้าเลยแล้วน่ละเอียดมากมหาศาลมากกว่าสิ่งเหล่านั้นคิดจะคิดดูแต่ว่าอนุปรรมนูเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้มาตั้งแต่ยุคใดสมัยใดเนี่ย ในภาษาอันนั้นท่านเรียกว่าอะไรนะขณะของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ะขณะแต่ละขณะละเอียดขนาดไหนที่ท่านมีใช้อยู่ในหลักคำใชาพรพุทธเจ้าท่านทรงละเอียดรอบรู้ทั่วถึงหมดอาการ3าสองพุทธเจ้ารอบรู้หมดดูแล้วแต่ยุคสมัยมาเท่าไหร่แล้วนะมีอันตรสามายุคนั้น่ะไม่มีดอกนัก ว, ว, วิชาการทางหมอทางไรอาจจะมี แต่จะละเอียดเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าไหมพุทธเจ้าทัางดวงทั้งปูโผล่หมดเพราะพระปัญญาบา ร, รมีอันนี้สำคัญที่สุดนี่เราพูดถึงความรู้ความเข้าใจที่เราควรทำความเข้าใจแล้วก็กรอบในความรู้สึกนึกคิดที่เราผู้ฝึกฝนอบรมเราควรจะทําความรู้ทําความเข้าใจไม่ไปไหนอยู่แค่ตารู้สมุกเรื่องกายใจออยู่แค่วิญญาณจากวิญญาณโสตวิญ ญ, ญาณคณะวิญ ญ, ญาณ อยู่แค่ผัสสะสัมผัสมันก็มีแค่นี้เองอันนี้คือหลักเกณฑ์เราทิ้งไม่ได้หลักเกณฑ์นี้จะเป็นต้นต่อของปัญญาให้เราได้เป็อย่างดีถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่รู้จะไปจับอะไรล่ะขาดเครื่องม้าขาดเครื่องมือผัสสะเวทนานี่เวลามันเกิดมันเกิดชึบเดียวมถึงกันหมดแต่พระเจ้าท่านออกมาแยกแยกให้เราเข้าใจเราจะได้รู้ข้อปฏิบัติ การสังวรการสำรวม ง, งานทุกอย่างทุกเรื่องต้องอาศัยความสังวรเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหลักการสังวรนะั่คือสติสังวรนัร่นแหละสติกากับสติกาหนดจดจอ่อก็เหมือนอย่างเราพยายามกำกับพุทโธให้มันอยู่พุทโธพุทโธการระวังนั่นแหละคือการสังวรต้องบังคับเรื่องมรรคเราต้องบังคับ ในเรื่องของผลนั้นอย่าไปบังคับบังคับไม่ได้ผิดที่ครูบาอาจารย์ท่านม่ให้บังคับคือท่านไม่ให้ บ, งบั ง, บงคับผลท่านให้บังคับมัดผลให้มันปรากฏเองผลให้ปรากฏเองพุโทโธพุโทโธพุโทโธเพราะได้ที่มันก็จะสงบของมันจะเริร่มสุบของมันจะเริ่มมีความสุขเริ่มมีความแปลปลราอัศจรจะเริ่มมีอะไรแต่ล ะ, อ, ะอยูอยอย่ในนั้นแหะ บางคนก็ออกรูรรรนู่นรูนีเห็นนู่นเห็นนี้บางคนก็ ล, อล่องลอยเรื่อยไปถ้าขานหนักตรงนี้ก็ป่วยลอยไปแบบลูกโป่งไม่มีเชือกเฝ้าเชือกขาดไปเลยเลยบางคนสําคัญเหมือนกันนะแต่ถ้ามาตรงนี้ไม่มีเสียหายแน่วไปเลยนะเวลาคุณสมบัติมันมาถึงใครมีบุญเก่าคนก็จะได้ตามบุญตามกรรมเก่าก็ดูที่ประจุลบรรทกสิ พี่ชายสอนตลอดสี่เดือนแ่ะจำอะไรไม่ได้สักคำเลยสอนคาถาแค่สองแถวอะ่ะเวลาพุทธเจ้าท่านสอนให้พรกขามาบริกรรมบริกรรมบริกรรมบริกรมรมโชวนะนั่งบริโชวนะนั่งราชโชวะนั่งปัญญาเกิดผ้าขาวพ่องเริ่มมองลงมองลงเอ๊ะให้มองมันมาจากไหนมาจากมือเรานี่เอ๊มือเรานี่ส ก, กปรก ได้ปัจจูกูลสัญญาพุทธเจ้าท่านเนรมิตให้พิจารณาเป็นวิปัสนาได้บรรลุธรรมพร้อมกับวิชาพลิกจิตแปลงหนึ่งคนให้เป็นหนึ่งพันพันคนเป็นหนึ่งพันองได้เฮ้อเราดูสิเวลาสร้าเร็จรูปไปแล้วนี่เกินข้าเกินหมายไหมเกินคาดเกินหมายมันช่วงงานที่เราจะทำให้ผลปรากฏ ต, ตรงนี้สำคัญที่สุด อย่างอื่นที่จะเป็นผลตามมานี่ขอให้มันเป็นเองขอให้มันเป็น